พออากาศเพื่อนธรรมิแล้วก็หลวงพนะครับเจอพรเนาะเราก็อากาศก็เย็นสบายดีนะภาคพี่นนี้นะวัดธรรมพามีนะอากาศเย็นสบายนะธรรมชาติก็ก็สงบนะ อาจจะมีเสียงน้ำไหลบ้างนะแต่พอเป็นเสียงธรรมชาติแล้วเรามันก็ไม่ได้เป็นความํำคานใจเนาะพออากาศมันเย็นสบายก็ดีหรือธรรมชาติที่สงบก็ดีมันก็มันก็มีส่วนทำให้การพักผ่อนนะการนอนหลับเนี่ยมันก็มันก็ดีขึ้ น, น, นก็ดับสบายดี แต่ส่วนหนึ่งอันนี้มันเป็นธรรมชาติภายนอกนะแต่ถ้าจิตใจแต่ถ้าจิตใจของเราไม่สงบนะจิตใจของเราวุ่นวายนะบางทีอยู่ในธรรมชาติที่สงบก็ดีนะอยู่ในอากาศที่เย็นสบายก็ดีนะแต่บางทีก็ทำให้นอนไม่หลับก็ได้นะทำให้ฝันเยอะแยะมากมายก็ได้นะจิตใจฟุ้งซ่านมากก็ได้ นั้นชีวิตนะที่ดีนะคือชีวิตที่เราจะทำอะไรให้จิตใจสงบเย็นนะจิตใจที่มีความสงบมีความเยือกเย็นนะยืนในตัวไม่ใช่สงบแบบไม่รู้อะไรนะไม่สนใจโลกไม่สนใจคนอื่นเลยนะนิ่งเฉยนะอันนั้นก็เป็นความสงบแบบไม่เกิดประโยชน์นะ แต่ความสงบที่ดีจริงๆคือความสงบที่เรียกว่ามีความรู้ตื่นเบิกบานอยู่ในความสงบนั้นเป็นความสงบภายในใจเป็นความสงบที่รู้เป็นความสงบที่ตื่นตัวเป็นความสงบที่พร้อมแก่การทำงานหลวงพ่อพุทธทาสท่านท่านว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ สงบเย็นนะและเป็นประโยชน์นะคือความสงบเย็นเนะี่ยเป็นเรื่องภายในใจของเรานะเราจะฝึกจิตฝึกใจอย่างไให้มีความสงบมีความเยือกเย็นนะมีความเบิกบานตื่นตัวอยู่เสมอนะแล้วก็ไปทำประโยชน์นะไปทำประโยชน์ไปทาหน้าที่นะที่เราทำได้นะหรือหน้าที่ที่เราคนวายที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ เพืนมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนี่คือมันจะเกิดประโยชน์มากนะชีวิตเรานะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราสงบเย็นแล้วก็เราไม่สนใจคนอื่นไม่สนใจโลคนะเอาแค่ตัวเองอย่างเดียวนะไอ้ น, นั้นก็เกิดประโยชน์บ้างอยู่อย่างน้อยเราก็ไม่ไปอย่างน้อยเราก็ไม่ไปเรียกว่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างนี้เนาะ แต่บางทีมันอาจจะเกิดประโยชน์น้อยนะแต่จะทำไงให้ชีวิตของเรามีทั้งความสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์นะได้มากขึ้นด้วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อพุทธทาส น, นะท่านสรุปให้เราง่ายๆว่าชีวิตที่ดีนะควรจะเป็นอย่างไรนะแต่คำว่าบางทีสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะ ในบางวันในบางขณะบางทีมันก็ไม่ได้เงียบสงบตลอดเวลาหรอกนะบางครั้งก็อาจจะมีสิ่งภายนอกที่วุ่นวายหรือบางครั้งก็ต้องมีงานที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะที่ต้องคิดต้องแก้ปัญหานะหรือบางครั้งเราก็ต้องเจอกับสิ่งกระทบนะคําพูดการกระทํากิริยาต่างๆที่กระทบกระทั่งกายก็ดีหรือใจก็ดี แต่ถ้าเรามองพิจารณาดูดีๆนะมันก็เป็นโลกธรรมนะโลกธรรมก็มีทั้งฝ่ายบวกมีทั้งฝ่ายลบเนาะอืมอย่างเราได้ฟังหรือได้อ่านประวัติพระพุทธเจ้านะอขนาดพระพุทธเจ้านะก็ยังถูกคนตามด่ายังถูกคนตามฆ่านะยังมีเรื่องที่ท่านก็บางทีก็แก้ปัญหาให้กับคนอื่นไม่ได้นะบางทีมี พระอุปถากสมัยเก่าก่อนพระอานนท์จะมาอุปถากนะบางรูปนะท่าก็อยากจะปีกออกไปพระพุทธเจ้าตัดห้ามก็ไม่ฟัง <c oughs> บางครั้งสมก็แตกแยกกันนะพระพุทธองค์ก็ตัดห้ามก็เตือนก็ไม่ฟังก็มีนะพวกเราลองคิดดูขนาดพระพุทธเจ้านะท่านมีบารมีธรรมมีสติปัญญามากนะ แต่บางสถานการณ์บางเหตุการณ์นะท่านก็ยังไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้เลยนะแม้แต่พญาติของพระ อ, องค์ก็ยังถูกฆ่านะอขนาดพระ อ, องค์ก็รู้นะก็พยายามที่จะไปเรียกว่าไปเตือนนะไปเตือนใจนะคนที่จะไปเรียกว่าพญาติที่จะอทําร้ายกันก็ดีหรือว่านถูกทาง แฟนสาววัสถีนะไปไปฆ่าก็ดีนะ พ, พระองค์ก็ห้ามไม่ได้นะเพราะนั้นบางทีนักบางทีชาวพุทธเราบางคนนะหรือคนใจบุญบางคนคิดว่าถ้าเราทำบุญถ้าเร า, เาทำสิ่งที่ดีๆแล้วนะชีวิตเราจะต้องเจอแต่สิ่งดีๆจะต้องไม่เจอกับสิ่งที่ไม่อยากเจอหรือว่ามันไม่ดีเนาะ แต่บางทีมันไม่เกี่ยวนะว่าเราทําดีในชาตินี้นะไม่ใช่ว่าชาตินี้เราอาจจะต้องไม่เจอกับสิ่งที่มันไม่ดีนะบางทีเรื่องของกรรมเก่ามันก็เป็นเรื่องที่เราไม่รู้เนาะเป็นเรื่องที่เราไม่รู้หรือกรรมที่คนอื่นเขาทาบางทีเราก็ห้ามไม่ได้นั้นเราจะทําไงให้ใจเรามีความสงบมีความเยือกเย็นได้ในขณะที่ต้องเจอสิ่งเหล่านั้นเนาะ หรือขณะที่เราต้องไปแก้ปัญหาให้กับคนอื่นเกี่ยวข้องหรือปัญหาเกี่ยวข้องกับตัวของเราเองก็ดีนะเราจะมีอุเบกขานะอุเบกขาคือใจวางเฉยนะใจมีความเรียกว่าปล่อยวางนะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะนะบางครั้งปัญหาแก้ไม่ได้เราก็ต้องวางเฉยนะเราก็ต้องปล่อยวางนะยอมรับความจริงนั่นแหละนะ การยอมรับความจริงนั่นแหละมันทําให้จิตใจเรามีการวางเฉยมีการปล่อยวางมีความส ง, งบเราก็รักษาใจของเราให้ส ง, งบแม้อยู่ท่ามกลางปัญหาเหมือนที่หลวงพ่อคำเขียนนะท่านบอกอบางทีงานอาจจะล้มเหลวนะแต่หลวงพ่อไม่ได้ล้มเหลวนะงานอะไรอย่างเราก็ทําไม่สําเร็จหรอกนะในโลกนี้นะ แต่ก็ทำให้มันเต็มที่เท่าที่ทำได้นะไม่ใช่พอคิดว่างานมันใหญ่ทำไม่ได้ก็ไม่ทำเลยนะเราก็ทำให้มันเต็มที่นะทั้งงานภายในตัวของเราเองก็ดีนะหรืองานข้างนอกก็ดีนะเหมือนกันอย่างเราปฏิบัติธรรมนะบาเพ็ญเพียรภาวนาเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าชาตินี้จะจบหรือเปล่าจะได้มรรคผลนิพพานขนาดไหนเราก็ไม่รู้นะ แต่ลองทำให้มันเต็มที่ครับนะทำให้มันสุดความสามารถนะเรามีโอกาสดีที่ได้พบพระพุทธศาสนานะได้ฟังได้ยินคำสอนจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากครูบาอาจารย์เองก็ดีนะเราก็น้อมเข้ามาสู่การปฏิบัติขัดเกลาใจตัเองบ่อยๆนะไม่ว่าเราจะทำอะไรกันนะให้มีศีลนนะเป็นพื้นฐานนะ อย่างน้อยคารวะก็ให้มีศีลนะห้าเนี่ือคนมาอยู่วัดมาบวชก็ฝึกศีลให้มันสูงขึ้นนะศีลแปดนะศีลสิบหรือว่าศีลสองร้อยยิบเจ็ดข้อเนะให้เรามีศีลศีลจริงๆก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยนั่นแหละชื่อว่าศีล น, นะกายวาจาก็คือตาหูจมูกดิ้นกายนี่นแหละนะรักษาให้เรียบร้อยนะ ให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าจะต้องมีมารยาทแบบคุนสตรีไทยสมัยโบราณนะหรือว่าเป็นธรรมเนียมแบบมารยาทสังคมเท่านั้นนะคือเรียบร้อยก็คือว่าไม่ให้เรียกว่าไม่ใช่ตาไปในทางไม่ดีใช่ไหมนะทางไม่ถูกนะไม่ใช่หูไปทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะ ไม่ใช้ดิ้นไปทางไม่ถูกไม่ควรในทางไม่ถูกไม่ควรก็คือใช้ในการสนองกิเลสนั่นแหละนะพูดง่ายๆนะคือเราไม่ใช้กายวาจาใช้ในการสนองกิเลสนั่นแหละนะถ้าเราฝึกหัดแบบนี้นนะก็คือว่ามันก็จะได้เรียกว่าถ้ากิเลสนะมันใช้เรานะสมมติกิเลสเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้ามันก็ใช้กายใช้ใจไปสนองตัณหาสนองกิเลสนะใช่ไหม เหมือนใช้ลูกน้องนะไปทํางานที่มันต้องการเนะี่ยกายกายวาจานเนี่ยเป็นลูกน้องถูกเขาสั่งถ้ากิเลสมันสั่งมันก็ใช้ในทางไม่ดีใช่ไหมแต่เราจะมีเนี่ยอย่างน้อยมีศีลก็ดีมีสตินะมีปัญญาก็ดีมาคอยกั้นมาคอยตัดอํานาจของกิเลสนะอํานาจของตัณหาเนะี่ยให้เราใช้นี่แหละธรรมะนะ มาเป็นตัวใช้กายก็ดีใช้ใจก็ดีในทางที่ดีแทนเน่ยนะเราก็แค่เปลี่ยนนี่นะกายใจก็ยังเป็นอากายกับวาจาเนี่ยก็เป็นลูกน้องเหมือนเดิม <c oughs> แต่ให้เรามีธรรมะเป็นใหญ่ <c oughs> ก็ใช้กายมานั่งนะปฏิบัติธรรมนะใช้วาจาในการพูดไม่ทําร้ายคนอื่นนะ่พูดให้กําลังใจคนอื่นพูดให้ข้อคิดกับคนอื่นเนะ่ย เนี่ยคือเราก็ใช้ในทางที่ดีละเราจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะทำอะไรก็แล้วแต่นะใช้ตาในการมองนะสิ่งที่มีสาระมีประโยชนนะ์ใช้หูในการฟังเสียงที่มีประโยชน์เนะีนะ่ยมันก็จะเป็นการย้อนเข้ามาถึงใจของเราเลยนะใจพอเราฝึกฝึกหัดกายวาจาให้ทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะ มันก็ส่งผลให้ใจนะมันก็มีความสงบมีความเยือกเย็นเข้าไปมีความรู้ตื่นเบิกบานด้วยเนาะเนี่ยมันทำได้นะอ่ททำได้แล้วก็พวกเราทุกคนก็มันปึกกันนั่นแหละนะชาตินี้จะได้เท่าไหรก่ก็ก็ทำมันเต็มที่เนา ะ, นะส่วนประโยชน์โลกในะประโยชน์ต่อคนอื่นเราก็ทาเต็มที่เท่าที่เราทำได้นะเนี่ย ย่างไงังไงโลกนี้ก็แก้ไม่หมดหรอกนะปัญหานะบนเวียนซ้ำซากไปเรื่อยๆนะถ้าเราพิ่ในจริงๆมันก็โรคมันก็เป็นทุกข์เนาะ <c oughs> แล้วก็ทำให้มันเต็มที่ในชาติที่มันเกิดมานะแต่ถ้าจะดีจริงๆก็การทำให้วัตตะสงสารมันขาดไปหรือสั้นลมเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าโรคยังไงมันก็เป็นทุกข์นะ โลกคือร่างกายจิตใจเนี่ยมันเป็นทุกข์นะอืมน่ะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้เนี่ยอืยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนาะเนี่ยคือเราจะทําไงให้เราค้นจากอํานาจของความทุกข์ของกิเลสตัณหาได้เนี่ยเราก็ฝึกกันน่ะทุกๆวันนะทุกๆโอกาสทุกๆที่น่ะเดี๋ยวนั่งปฏิบัติดมกันสัก 10นาทีก่อนแล้วกันเนาะ ก, นก่อนก่อนกราบพระนะ